าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินทั่วความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และ อนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้ดโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนาธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้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 กับความมีครูมียอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปกกันอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัตคือการศึกษาเร่าเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเร่าเรียนมาผล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 ความมุ่งหมายของตนไถ่เยานั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดงเนินในครั้งทุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐ ม, มสาวกมีเป็นเจาวาขีทั้งห้าเป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัดฉิมสาวกมีสุภะะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพานได้บรรลุธรรมเป็น ป จ, จิมสาวกอรหันขึ้นมาล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดําเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดําเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นณาการเป็นคติตัวอย่าง พาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมผ่านั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติตพิภารณาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์สิบสามข้อนั่นล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้น เบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย <c oughs> ทุดงสิบสามข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกาจัดปัดเตาสิ่งที่เป็น้าสิต่ตอธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลายมีธุโดมขวัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสําหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นไทยต่อจิตใจให้หมดสิ้นประเด็นดับด้วยธุโดงขวัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดําเนินให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลําดับดั่ดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบินฑบาทเป็นวัดเป็นกิจจวัดเป็นตามหน้าที่ของพระ ผู้ไม่ขี้เกียจขีคร้านเาะแสแงหากมาด้วยกำลังปีแข่งของตนหาเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดยิ่เหลส อ, อาศาวะทั้งหลายทานาจิตใจของตนไปโดยลำานับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำเพรเพื่อเพื่อไม่ได้เห็นแจรสแจกชาติเห็นแจความอร็จอร่อย ขันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจมีอะไรมาบริโภคครบขันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อกิตตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันแต่เป็นภัยทางด้านจิตใจ เราก็ต้องไรอมัดตางเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันมีกําลังบางชางแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอํานาจของธาตุขันซึ่งเจือปนกับกิเลสอันอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จําต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลําดับแม้จะหิวจะอยากสักขณะไหนก็ตาม นั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตันหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมาแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตันหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตันหาก็มีฉันด้วยอำนาจในความหิวของท่าของขันพอเยียวยาไปประทงัปะทงประธรรมไปวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขา โยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มีนี่ก็มีผู้พาฉันพาดําเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตฉันอย่างไรทําไมจึงต้องฉันในบาตโลกเขาฉันพาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าพาเผยด้วยความมีเกียรติติยศชื่อเสียงเด้วยาการรับทานเช่น อ, อาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพหมื่นมื่นเขารับฐานกันนั่นเรื่องของโลกเป็น เ, นเช่นนะั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจรึงต้องแปกจากโลกการฉันในบาศเพื่อการละคนปลมเปรลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันไหนก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรม คือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่า น, านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอรรถอร่อยอะไรมากยิ่งกว่ากนับก่อนการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมนิยมของรสของชาติความ สำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรถในชาติตั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันมันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความศักด์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตสภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะท่านจึมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าขาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่นนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีขาวเป็นคนน่าแหง ที่สมไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เช่นอาหารอ่ะนะกั้นอาหารไว้ก็ได้เช่นมีกล้วยหรือมีผักอะไกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีน่เหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์าำดำเนินผู้นำจริงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญ ชั้นก็ชั้น้นเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายแล้วชั้นในบาตรพวกนี้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญชั้น้นเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในขัง้งพุทธการ ท่านฉนมือเดียวเท่านั้นที่เอาุโรมก็คือเช่นข้าวต้มท่านวยาขูยาขูคือข้าวต้มดื่มน้ําข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะั้นดื่มน้ําข้าวต้มไม่ใช่ก่อนบินตบัดมีได้ในขังพุญตการในสําหรับตำลามมีถ้ามีคนทํำถวายแต่ส่วนมากสําหรับความรู้สึกของเราเองนี่คิดว่าเป็นผู้ที่ท่าน ปวดเปื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาวยาทาตขันให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ้นวายปเปล่าๆสำหรับความรู้ความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทาก่อนเวล่เวลาเช่น เอาเข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มา้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนมินทว่านี้เราไม่เล่นตั้งแต่ด้วยตั้งแต่การไห น, ไหนมาเพราะถือว่าเป็นความลำขาดและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นผุโดยเด็ดขาดเท่านั้นประจําใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ําหนักมากพะน้อยใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย ท่านจริงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี้ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงตุกวันนี้นี่เรื่องทุดงแต่ล ะ, ละข้อละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับกิจใจความฟุ้งเฟอ้อหือเหิมหรือความฟุ้งเฟอ้อหือขอนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อย ถอยลงมาโดยเร็งดับเพราะอำนาจแห่งธุดงขวัดดิธธรรมธุดงเป็นเครื่องกำจัดพผ้าถือผ้าบังสกุลของพ่อแม่กุาจา์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูสิทำไมท่านรักท่านสมวนเอาหนักหน า, น า, นาทั้งทั้งที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนไหนแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในระว่าของท่าน ท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียว น, นัท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อทำรักกิเลส ข, ของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระวดัดหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดําเนินมา ท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทูดงควัดเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบังสกุลนี้นี้ตั้งแต่บังสกุลทั้งนั้นอันนี้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าขห้หคณาจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่าน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 นี่ตอนที่แก่แล้วนะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่ฮิดูเราเคยเห็นไหมครูอาจารย์องค์ไหนที่ทําแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นนี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่ น, นีเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหวัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาเนี่ยท่านรักผุดงวงกวาดเพราะเห็นคุณค่าจากผู้ดวงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากทุ้ดวงเพราะวัด อยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลาบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่านะท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันะานจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันหนึ่งท่านก็พอใจฉันนะฉันและตัวปิวเวลาเดินยังกลงท่านวานะเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหาร ผสมกันนี้ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวนี่เราก็ยอมรับท่านเนี่ยทุดงขวัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัศรรชิตทุดงล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชำละกิเลสอันเป็นค่าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่นี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้น ด้วยเจตนาวังหนุดพ้นจริงๆและยึดธุดงขวัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆงจึงไม่ถือทุดงนั้นจึงไม่เห็นธุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพ่อหอัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จัก ตีจากชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิทุดงเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะกรวาสของท่านไม่มีย่างนี้ธุดงควัดนี้พระสาวกทั้งหลายก็สําเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้น มีองค์ใดที่ไปหาสําเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมีที่ไหนมีจะสําเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงคขวัตหรือไม่ตังดิท่านดําเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาหลุกนี้ถ้านั้นเงื้อมผ่านี้ด้วยการชันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่บ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกํากับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิ แล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีทุดงกากับย่อมเป็นไปด้วยความราบเื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟอ้อเหื่อมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่ ม, มีทุดธงขวัตเพราะฉะนั้นทุดงขวัตยึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำละกิเลสทุโธงขวัตทุงขวัตเป็นเครื่องชาระกิเลสกิเลส ที่เกี่ยวกับธูดงจะต้องทำร้านนี้มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละเนี่ธรรมธรรมะที่จะแก้ดุที่อำนาจของธูดงขวัตตึงต้องมีด้วยกันนี่แบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลุกขมูลล้ไม้เนี่ย อยู่ลูกขมูลต้นมา ก, กับอยู่ที่มุงบางที่มุงที่บางต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลีย่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วยอ่ยอมกิจย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บางถ้าพูดถึงความเป็นภยัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลูกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้น ทีนี้เมื่อใจมันมีความระเวียงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระเวียงระวงังจึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหาเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจาเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทัง้งหลายฟังให้ดีนะ ไปอยู่ในสถานที่เตี่ยวเท่าไหรก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลาดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เปื่นกล่นวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่ยาเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบันตานี้ เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงบเยี่ยมเยี่ยมตัวมองดูพระเนตรภายในก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองมเห็นเลยนั้นยังมีอยู่แย่ภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอท่ า, ทานทั้งหลายได้สํานึกเอาไว้ในข้อนี้ เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปทลายน่ากลัวอันตรายทลายจิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความละมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทําไมจะไม่เกิดอืมขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถอะปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลําดับลาดานนั่นแหละนี่ก็เป็นธูรงนั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลําดับลำดานเนสัชชิคือไม่นอนกับเพื่ออะไร ไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่ียาบทสามยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจิงิงก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นขวาด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่นี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูก แล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษลูกหาเก่งเก้งก้างกางเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงทุดงกรรมาฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ยังไงก็ตาม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 คืออะไรคือภาวนามายปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาด เ, าเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตามยปัญญาเล่าพอที่จะคาดท่าเนอ่ยวได้คือได้เกิดสติปัญญาแลกรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟัง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 เพราะความไม่ชั่วแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ต่างว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความตงใจที่จะทําภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลัำมากมีผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์กิงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นจะ ที่ที่ว่าภาวนามายปัญญานี้ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามายปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนชุตะมายปัญญาไม่เหมือนกินตามายปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามายปัญญานี้เท่านั้น น, น, นี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้ หรือจึงเป็นภาวนาเมญปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองแล้จะเริ่มยอมรับไปโดยลําดับลําดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลําดับลําดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลําดับลําดามีความแก่กล้าไปโดยลดาําดับแล้วสังหารชิเลตไปพร้อมๆกันในระยะในระยะนั่นๆน น, นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจน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 พอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นข้าศึให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเรื่อยเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวยิ่เล ก, ก็เริ่มวุ่นวาย นี่แหละภาวนามมยปัญญาเริ่มเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยๆไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ายิเรียทุกประเภทตั้งแต่ยิเรียประเภทใหญ่ถึงประเภทละเอียดจุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับ นั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไว้ตัวจนลืมตัวคือลืมพักผอ่อนหมไม่าง ก, กันนี่ท่านกระบอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปได้วยความสดๆดร้อนร้อน ส่วนพระยัติท่านบอกไว้ว่าที่จิต ท, ที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในภาในสมาธิภาวนาเสียทธนว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกําลังแล้วจึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไป นี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพ่องามแต่จิตมักจะเห็นความสดสดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเลิด เ, เปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดนี่ก็มีนี่แหละ ท่านเรียกว่าภาวนามายปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายแล้วปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายใน จ, จิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดับนี่ จนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติทั้งตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมาก จึงต้องขิ่นด้วยกิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาปินยาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเนี่ยว่า ผู้ดันธาปิญญาคือผู้รู้ช้าเขาเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวักค ท, ท, ทุกตอ น, นเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงทลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตข้าเดินไปแต่ภาวนาโอแต่จิตที่เป็นชิปปาพิญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจราจะว่า กมาเลียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ทำที่กรรมมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคำผีเพราะเราไม่สนใจนาํามาใช้นํามาดําเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นชนะของพวกเรา ธรรมะที่กรามาเหล่านี้สดสดร้อนๆอนอยู่ภายใจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดสร้อนร้อนอยู่ภายใหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทํางานสิ่งนั้นต้องทํางานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยงตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันอไรายะยานี้กินกิเลสมันต้านทานทำ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 การภาวนาต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนยงศักดิแต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของอิกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียนนั่นเองไม่แค่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัสถะปัตถยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในทีทั้งปวงนั่นคือความเพียนตลอดกาล ผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าทำธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็น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 ลูกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสหรือทำมาลมทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคนที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดและไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทาไมมันจะไม่เข็ด ก็สิ่งอย่างนี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิต ด, ดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบิบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับคีเดเหรออยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกําลังมีกําลังตรงนั้นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละไม่เกิดขึ้นตราท่านว่าสมุ ท, ทยัยสมุทัยคืออะไรการมาตัณหาวาตัณ ห, ห, ววหาิ่พวตัณหาเน่ มันชิดไปเรื่องกรารมตัญหาภวตัญหายิ่งภาวะตัญหามันชิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทรไทยเสื้อยหญที่ทั่งเสื้อใหญ่ทังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกรารมตัญหาภวตัญหายิ่ภาวตัญหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือการมตัญหาราคะตัญหาเนี่ยสําคัญมากทีเดียวไม่มีคําว่าเขตบ้าหลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่ า, เ, า, วาเป็นเดนไปแล้ว ไม่เอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจิดจางนี่จึงว่าเป็นรถที่สําคัญมากของวัตจักรรถของวัตจักรมันกรอมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำธาราไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาติกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้าจากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั้นแหละ หาประมาณไม่ได้หาเวลาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนตายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นตายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานสักเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิงห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหม มันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอบสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ครัจะพอพอทรงตัวได้บ้างอืมไม่กวดแก่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวดแก่งตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวตัวเองอยู่นั้นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหา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 อ่อนตัวของมันลงไปเลยนั่นถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยักยั้งได้บ้างละที่นี้อือจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีมความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นละ่ะมีทุนแล้วที่นี่ อาทุ ก, ก็ทุกด้วยการที่นิจจเจรณาตแต่เราทุกข์ด้วยอำ น, นาจของกิเลสตัณหาไอ้มันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกมากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้วินาท้านดัญญานี่จะพุกขนาดทุกขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่จําให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี่จนกระทั่งกลับใดกันใดก็ตามเถิดไม่มีความหมายตรงนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้ จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยยิ่เล็ดตันหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเดียนว่าตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนจิตนี้แหละมันกลิ่งไปกลิ่งมาเหมือนฟุตบอล น, นั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูด มีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นฉันเรียว่าอาภิชาดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตันหารไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้น ด, ดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้น นั่นถ้าว่าดูดกระดูดอยู่เนี้ยเที่ยงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสือต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมธาตต่อไปไม่มีม่เท่านั้นหลงพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลกห้าชั้นคือสุทธาวาสห้าชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีสสอกนณิษฐาคือเลื่อนระดับพ้องจิตไปเป็นลดับลำดา โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆน่ะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่ไม่สุกจะจะเป็นอื่นไม่มีนี่จ ะ, จะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นนะ่ะกิตที่ควรจะสุกได้โดยลําพังตัวเองก็คือกิตพระอนาคา ม, มท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองนั่นอา ก, การหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านนนั้ไปจนกระทั่งถึง ม, มุดหลุดพ้นไปเลย อเอาที่กิดถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่ดอถ้าถ้าไม่เป็นร่นมาพูดไม่ได้นะธรรมะแบบนี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองนะทำมูเเจ้าไม่ใช่ทำโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับผู้ทีเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีเนี่ยนี่แหละคือทําได้ระดับแล้วที่จะดุพ้นโดยโดย้วยสายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วออืเอาละ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 ไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนตอนที่ตอนที่ดึงดูดตัโ ด, ด, ด, ด, ด, ดยอยู่โดยเฉพาะคือหมาเขาเหมือนกับว่ามีรสนิชาติอยู่ในโดยสมมุติแทรกอยู่ในนั้นอย่างละเอียดลนะเอียดฮะพอธรรมชาติอ น, นั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมุิที่เข้าไปเจือเจือปนในในจิตตรงนั้นเลยก็เป็นบรมสุขร้อนๆเนี่ยท่านแบบนิพพานปรมังสุขาาส ข, ขงังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหะประมังสุ ข, ขงังจะเป็นอะไรไปรู้ตั้งแ ท, ที่ยังไม่ตายนั้นใครจะไปขออนิพานเวลาตาย อย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้เห็นในเวลายังมีชีวอยู่นี่ือองค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้า น, นั้นเงื้อมผ า, น, ผา น, นั้นเขาลูกนั้นนนั้นมีแต่บรรลุเป็นๆทั้งๆที่เป็นนั่นอันควร น, นั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นในภูมิไปแล้วอย่างพระนาคคำีทั้งก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปที่หลังหรือไปได้นิพพานในปาราต่อไปนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในในี้ให้เห็นาชาัดๆไปจักตาของเรานีแค่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 ทุกสมัยรุ่นนักนี่เป็นเครื่องการกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจสี่หลุดพ้นไปนใน จ, จากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับภูริชาติเป็นผู้สอนอริยสัจไว้เสื่สาวโทั้งหลายก็รู้รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจั ก, กรกัปปะสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนนะฟังซิธรรมจั ก, กรกัปปะสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มจา่ก็ถี่นา่นนะภูริยาสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไง ผู้นั่งปฏิบัติตามในวงอายะสัจดูข้างอายะสัจจังสมุทัยอริยจังนิโรธอริยจังมัคคะอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในรมมจักท่านแสดงไว้นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทานหลายปฏิบัติไปรู้ตามนั้นก็ยอมรับผู้ดี่ย้าท่นนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่แนะนำศาสนานี้ มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธ์ใจขอับทำจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกๆชิ้นทุกอันเป็นสวาคาัคดิธรรมตไม่ชอบแล้วหมดนั่นล่าสมัยไปไหนทำอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหานี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวสเสนียดจันทายเป็นค่าสืกต่อเราทุกวันนี้การปรัญหาปัญหาที่เพราะปัญหาอยู่ที่ไหนมันชิดอยู่ที่ใจขใของไข่นั่นนะมันสุดรอดอยู่ไหม สติปัญญาสตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกีนนี้เดี๋ยวนี่เดีย ว, น, ยวนี่น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาแล้วใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราคู่ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้โจโจ้นอนๆอนใหม่ทําไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่โดยไม่คิดให้กิเลสมันหลอกหัวรลอกเราอยู่ทําไมว่าแล้วเท่าว่าแกแล้วว่าโง่เง่าเตาตูวตนว่าอาํนานาจวาสนาน้อยหมดเวลากิเลสมัน บีบหัวใจทําไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยขี้เด็ดมันมาบีบแล้วหน้าเบื่อหน่ายแล้วเกินขีเด็ดนี่ทำหมไม่เบื่อมันบ้างฮะอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอดตามทำแล้วให้ขี้เด็ดมันหลอกต้มาเรื่อยๆอํนนานาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้คลานมีแต่เรื่องของขี้เด็ดยอมรับไปหมดมันใช้ได้เหรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะ ทำเป็นของกินค่าได้จราิงๆค่ากิเลสมันทําไมเวลาพวกเรามาทรงอัดส่งธรรมมันจึงเป็นของปลอมไปหมดพ้องหัวใจมันพาให้ปลอมทําก็เลยการเป็นของปลอมเงือนเมื้ออยู่กับฟันไม่หลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี้จะคมกรีบขนาดไหนก็กรีบอยู่งั้นแหละมันไม่ได้เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื่อนเมื้อเฉยๆไม่ฟันมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์เปน็ปนวันโอโรซีทำไมทิ้งมันอยู่งั้นเนี้ยเหมือนย่งเขาก็บไว้ทุกวันนี่นี่ก็เหรอฮั่นรเรื่องปราบ เราเราพูดเป็นข้อเทียบเจียงนี่ศีล ส, สมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาพลาดฟันหันแหลมแล้วจะสาเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นหัวใจของดูเด่นเห็นอันนี้เท่านั้นละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งว่าหัวใจดวงประสรุลนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองพอหมดเลย เนี่ยท่านว่าเมืองพอแย่นี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสแม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอือยากมากทุกมากแน่อยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทําไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลา อาการิโกคืออะไรคือกิจดวงนี้นี่ดพากันโตะจังใจนาะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ข้าหนอนแดดอย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกี่เรียญ ล, ล้วนๆย่ามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วก็มาฐานที่โดยซ้ําขายนี่เป็น ท, ที่ที่น่าเกลียดที่สุดเลยอืเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทําท่านไม่ถือท่านปล่อยทําท่านขยะขยะงายมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งเหล่านี้แล้วนําออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ละแต่ละอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บ ยิงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้ชิ้นซ่าไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีพูดทานี้จะไม่มีในโลกเพราะธรรมสู้กิเลสไม่ได้ธรรมย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ธรรมมีอยู่ในโล ก, กเพราะธรรมนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยปราสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิอดมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิอดนี่นะธรรมตั้งหากเลือด ให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยี่ได้หัวใจนั้วมันจะแยบออกมาทันทีทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดิบอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันนี้ตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั้นก็เร็วเร็วมันอวดออกมาเมื่อไหร่คณะมันแสดงขึ้นมานั่นแหะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากกระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัย ได้แล้วไอ้แบบนี้ไอ้พระกัจจังไว้นะเรามาปฏิบัติทำอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาในยิ่งที่อยู่กับหมู่มกีหมูกเพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวัรงรระวัง้มากนะเพราะนี่มันมีครัง้งกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนี่นะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงแงว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรห้า อายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญอะไรเราว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นภาพเป็นเดินเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นค่าสึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผื่อเมื่มันเป็นต่อยเลยล่ะถ้าเราเผือมากก็ลำบากกับศากตร์อ า, าจาย์ไปให้หมู่ผู้อื่นได้รับความลําบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สําคัญตนมะเก่งมาเก่งแล้วเอานําธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอสิ ม, มาน อันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังดูว่ากิเลสเป็นไรท่านกกระแปะไว้แล้วเครื่อเครื่องเศมองมืดตื้อน่ยมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันมันไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอยากสาคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามอืเป็นความสําคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพายสาคัญแล้วมันก็มาทุกอยู่ครับหัวใจเจ้าของะ มันออกทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลือภานจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกหรือสุข ก, ก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอเหนื่อยก็แล้ววิชาพุทธศาสนาวิชาคิดตัพานาจากหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านที่จะรู้ได้ สำคัญที่นอกจากรู้ได้แล้วยังกระจายไปให้เรื่องอดีต น, นะกี่พวกกี่ชาติสามารถรู้ไปได้จงหมดนี่สำคัญจิตเวลามันรู้มันรู้จริงๆสามารถ น, ะ <c oughs> นี่ก็บพระกัตระในในตำราาแสดงพระกษัต ป, ปะท่านเก่งเหมือนกันนะเ <c oughs> จ่ง <c oughs> ทั้ง <c oughs> ทงเรื่องอ่ นี่นะเรื่องปฏิคิดอะไรยุติประยุทธ์ที่ของสัตว์ของสัตว์เนี่ยคือการการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายพระกัจจปะเป็นมากเหมือนกันนะพระวิช า, าท่นานเรียนญาณดูเขาจาปปัดกัปะกัจปะาเขาทำอะไรอยู่ล้พะพิจนรณามาก็ ก, ากำลังพระกัปะกําลังพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ที่มันมากต่อมาก สามารถรู้รู้รู้รู้รู้เรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์ตามดูสัตว์ไหนเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนที่ไหนพระกัจจป่าท่านเก่งพระพเจ้าท ร, ท, รทรงเรียนยานมาเรียนยานมาเจอพระกัจจป่าเง้ทรงสอนกันในในในในฌานในสมาธิสัมปชอบบัอือนะ พระองค์ทรงสอนพระกัสสปะในเวลานั้นเลยว่าเออกัสสปะลูกเราจะถาโคตรเพื่ออันนี้เป็นวิสัยของมือเจ้าทั้งหลายจัะเธออยากพิจารณาให้เฉยน้ำเวลาเลยนะ่ะอันนี้เป็นวิสัยของพระเจ้าทั้งหลายนะหลังไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวิสัยของสาวโบกปู่นหรอไงเธออย่าอย่าพิจารณาเลยวัน ตามธรรมดาพัะกระสปานั้นว่าตก่งมากการเป็นนั้นหะนึ่งจุติไปสู ท, สที่วิญญาณเรื่องเกิดดังตายของสัตว์ตายแล้วประเกิดพบไหนพบไหนอะไรนีอันนก็เป็นภูมิทัศนาเป็นประตามัธนาเพราะเพราะเป็นสิ่งที่พิเศษไปต่างหาสิ่งที่ที่ต้องต้องเป็นอย่างเดียวกันนั่นคือคือความสิ้นสุดของจิตจากกิเลสทั้งหลายคือบริสุทธิ์ อันนี้เป็นหลักใหญ่ของศาสนาสอนลงจุดนั่นสําหรับผู้ปฏิบัติสอนลงจุดนั่นหมดให้ผิงขั้นบริสุทธิ์แต่ที่นี้จากนั้นไปแล้วจะเป็นตามอุปนิสัยของใครแล้วแต่อย่างไงก็แล้วแต่ถึงอยากจะรู้ใครจะรู้ได้บรามีอำนาจศาสนาทางไหนทางไห น, นมันหนักเป็นตามอุปนิสัยของคนนั่นแหละของคนของพระก็ระะั้นครูาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ที่ท่านเป็นธรรมแล้ว มันจึงเห็นได้ชัดตามปนิสัยองค์ท่านองหนึ่งเด่นทั้งหนึ่งองหนึ่งเด่นทั้งหนึ่ง้มันสิ้นในหัวใจซะก่อนแลวอะไรก็มันก็เป็นตามนิสัยวาสนาทแท้ๆทีนี่ถ้าอันนี้ไม่สิ้นแล้วนิสัยวัสนาก็เจือกับพิเลศ ซ, ซึ่งต้องในระวังอยู่นั่นแหละไม่ไม่ใช่เป็นของดีนะต้องระวังยิ่งยิ่งโลกามิดด้วยแล้วติดง่ายมากนะระวังโลกามิรความเคารพนับถืออันนี้เป็นสิ่งที่ติดเอ้ง่ายนิดเดียวจังหว่าสักกาโลพุสังติอาโง่ตายเพราะเหยื่อล่ อ, อ น, นั่นพราะแม่ครูจันนะแปลฟังสิ ลาตัวงูมันตายเพราะเหยื่อล่อนะสักการโลคือสังหันติเวลาเราแปลตามศัพ์แล้วก็คือราบสักการละยอ่ยอมทําคุณย่อมสังหารคนง่ให้คลิบหายแปลออกนะย่อมฆ่าสนะันติขันติฆ่าย่อมสังหารอันเี้วันนะสักการโลคือลาบสักการละความเคารพนับถือโลกกระทำแปดนั่นนะ่ะคุณ ง, ง่ายๆมันมากก็คือความเคานับถือ ความสุขสันเซินท่านแปลง่ง่ายสำหรัปลาตัวโง่ตายพอเหยื่อล่อท่านว่างนั้นนั่นแหละภาพปฏิบัติท่านกงแน่วเลยท่านไม่ค่อยจะมันมันไม่ค่อยถึงใจทางภาพปริยตัติท่านพูดไปไปเรียบเรียบมันไม่ถึงใจเหมือนภาพปฏิบัติภาพปฏิบัติที่เขาไปเจอเองนี่มันถึงใจถึงใจนะ เวลาพูดออกมาก็ถึงใจการจํามามันไม่ได้ถึงใจนะการรู้มาเนี่ยมันถึงใจมันต่างกันนะไปจำเขาคำพูดของเขามาพูดมันก็ไม่ถึงใจเราไปเห็นเองมาพูดเองมันถึงใจนี่เราเรายกตัวอย่างนี่เลยอะไรก็ตามถ้าเราไปเจอเองนี่มันจะพูดได้อย่างฉะฉานและอาฐานไม่จะโทษจะทานถ้าไปจำคนอื่นมาพูดนี่ทั้งจดทั้งจําทั้งพูดทั้งผิดทั้งถูกยุ่งไปหมดสุดท้ายก็เอาสาระไม่ได้นี่ ทำนิ่งเหมือนกันทำจําก็มีทำความจริงก็มีเนี่ยทำความจําก็ดังที่ประจยจะลึกออกมาตามตามแบบแผนตําแบบมาที่ท่านจดจารึกไว้นัมนแต่เราการพูดอย่างนี้เราไม่ได้ประมาท ก, การจดจารึกนะเราพูดตามภาคของความจําความจริงแห่งธรรมต่างหคือการประโยน์จะลึกออกมานี่เป็นเป็นภาคความจําจําได้ไไดไดแล้วก็จด่อมาจดออกมาว่าท่านพูดอะไรท่านทํายังไงจําได้จําได้แล้วก็จดจารึกออกมานี่เป็นธรรมะภาคความจํา แต่ภาพความจริงเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเห็นขึ้นมานี่ถึงแม้จะไปจดใจลึออกเอาหนังก็าตามความจริงมีอยู่ในเจ้าของเนี่มันวิ่งรับกันปุ๊บปุ๊ปุป๊ได้มาทั้งความจริงได้มาทั้งความจํานี่มีน้ําหนักมากสุดเดียวนะอย่างที่เคยพูดที่ว่าอะไรในพระ อ, อัญญากอนุ ญ, ญาตได้รู้เห็นทำรู้บรรู้เป็นพระยุคบุคคลขั้นโสดา ข, ขึ้นในขณะนั้น ยังกี่สมุทรใดจะทำมังสาบบันตังนี้โธรธามังในปริยาติธรรมะสิ่งไดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา